โดยสมัยนั่นแลปุกปุกษะมะระบุตรเป็นสาวกของอาลาลดาบทกลามโคตนนะออกจากเมืองกุสินาราเดินทางไปยังเมืองปาวาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งนักโคนต้นไม้ต้นหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าปกตินี้ปุกุสษะมะระบุตรเนี่ยนะเป็นเป็นเชื้อเจ้าเป็นเจ้า ปกติแล้วเมืองกุสินาราเนี่ยเมืองกุสินารานั้นปกครองโดยระบบเวียนกษัตริย์ขึ้นครองบัลลังกระบบเวียนกษัตริย์ทั้นวาระองค์ไหนเป็นพระราชาก็ปกครองบัลลังไปถ้าองค์ไหนที่ยังไม่ถึงวาระถ้าวาระยังไม่ถึงเจ้าวพวกนี้ก็จะไปทํามาค้าขาย น, นะเจ้าเหล่านี้ก็ค้าขายก็ค้าขายไปเรื่อยถึงวาระตัวเองไปครองเมืองก็ไปครองเมืองเนี่ยนะ เจ้าปุสส ะ, ะ, ะองคุสสะองนี้ก็ไปค้าขายเหมือนกันเจ้าปุสส ะ, ะนะเจ้าปุสสะองค์นี้เนี่ยอดีตก็เป็นใครเป็นสาวกของอาลาลดาบทเนี่ยนะอาลาลดาบทกาลามโคดซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนพระพุทธเจ้าให้ได้อากินจัญญายตนะสมาบัตนะส่วนอาลาละอุทกะดาบทรามบุตรนั้นสอนพระองค์ให้ได้อะไรเนวสัญญาณสัญญาญตนะสมาบัติ ก็ถือว่าเป็นอาจารย์เก่าที่สอนโลกียะสมาบัติพระพุทธเจ้าทีนี้หลักการเดินทางของหัวหน้ากองเกวียนโบราณเนี่ยนะขณะที่กําลังไปค้าขายอยู่นั้นถ้าลมพัดมาข้างหน้าตัวเองก็จะไปอยู่ออกข้างหน้าลมพัดมาจากข้างหน้าเนี่ยตัวเองต้องไปอยู่ข้างหน้าถ้าอยู่ข้างหลังฝุ่นตลบหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่หลังเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สังเกตเคยขับรถบนลาดยางบนถนนลูกรังไหมที่ฝุ่นตลบเนี่ยนะ ถ้าท่าลมมาจากข้างหน้าเนี่ยคนอยู่หน้าสบายไอ้คนอยู่หลังเดือดร้อนแต่ถ้าฝุ่นถ้าฝุ่นมาจากข้างหลังอ่ะถ้ารถก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้ากวนอะหมายว่าฝุ่นเนี่ยมันไปกลบคนที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนนั้ถ้าลมมาจากข้างหน้าหัวหน้ากองเกวียนจะไปอยู่ข้างหน้าถ้าลมมาจากข้างท้ายหัวหน้ากองเกวนก็จะไปอยู่ข้างท้ายตอนนั้นลมมาจากข้างท้ายเจ้าปุกุสานี่ก็ นั่งเกวียนไปข้างหลังเพราะลมมันมาจากข้างหลังพัดไปข้างหน้าใครไปก่อนคนนั้นฝุ่นตลบของนั้นเนะ่ะนั่นคนที่อยู่ข้างหลังก็สบายแต่ก็นั่งที่ยานบรรทุกรัตนะเนี่ย น, นะยานที่เขานั่งนี่เป็นยานบรรทุกทรัพย์ที่เป็นผลผลิตมาจากการค้าขายแก้แหวนเงินทองเต้ไปหมดเลยเดินทางจะไปเมืองปาวานนี่เสร็จ แ, แล้วก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เจ้า ป, ปุกุกุสะมละบทกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีก็มีมาแล้วพวกบรรประชิตย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบหนอคือคือใครนับถืออาจารย์ไหนก็จ ะ, ะจะกล่าวสรรเสริญยกย่องอาจารย์นั้นให้แก่คนอื่นฟังหรือให้นักบวชเราอื่นฟังอย่างปุกุสะมละบทนี้ก็เหมือนกันเขานับถืออาลาลดาบทกาลามโคตรเพราะฉะนั้น เวลาเข้าเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าเขาก็สรรเสริญอาลาลดาบทกาลามโคดให้พระพุทธเจ้าฟังว่าเรื่องเคยมีมาแล้วอาลาลดาบทกาลามโคดเดินทางหลีกออกจากทางนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลครั้งนั้นเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มติดกันได้ผ่านอาลาระดาบทกาลามโคดไป บุรุษคนหนึ่งเดินตามหลังหมูเกวียนมาจึงเข้าไปหาอาราลดาบทกาลามโคดแล้วถามว่าท่านได้เห็นเกวียนห้าร้อยเล่มผ่านไปบ้างหรืออาราลาดาบทก็บอกไม่เห็นซึ่งเกวียนซึ่งผ่านไปไม่นานเท่าไหร่เนี่ยนะบอกไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงบ้างหรือบอกเราไม่ได้ยินแล้วท่านหลับไปหรือหลับก็ไม่ได้หลับท่านมีสัญญาอยู่หรือเป็นอย่างนั้นมีสัญญาตื่นแต่ไม่เห็นเกวียนห้าร้อยมัน 500. ทำได้ไงใช่ไหม มีสัญญาไม่หลับตื่นอยู่นี่แหละแล้วต้องเข้าสมาบัติอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่เห็นแม้ทั้งเกวียนไม่ยินเสียงเกวียนก็ผ้าสังคาติของท่านเนี่ยเปื้อนด้วยธุลีบ้างหรือบอกแต่ฝนเนี่ยกลบตัวนะฝนเนี่ยกลบแต่ว่าไม่เห็นเกวียนไม่ได้ยินเสียงเกวียนเพราะเข้าวิหารธรรมอันสงบคือเข้าโน่นระดับอากินจัญญาญาตนะอากินจัญญายาตนะฌ า, า, านเป็นต้นนั่นเอง เสร็จแล้วปุกุสะมาระบุดก็กล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นบุรุษคนนั้นก็ได้มีความคิดว่าน่าอัศจรรย์หนอเหตุไม่เคยมีไม่เคยเป็นก็ได้เป็นไปแล้วพวกบัะชิตยอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบหนออ阿 ล, ะละดาบทกาลามาโคตรมีสัญญาตื่นอยู่ย่อมไม่เห็นเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มผ่านติดกันทั้งไม่ได้ยินเสียง บุรุษนั้นประกาศความเลื่อมใสอันยิ่งในอาลาระดาบทกลามาโคดแล้วหลีกไปแปลว่ายอมพักดีกลายเป็นสาวกของอาลาระดาบทกลามโคดก็เล่านะใครมีอาจารย์ดียังไงก็ชอบจะเล่านะเหมือนกับคนที่เคยไปนับถืออะไรอย่างไรที่ไหนก็จะชอบเล่าสู่กันฟังว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไปนับถือมาอย่างนี้ยแล้วท่านดีอย่างนี้อย่าง น, างนี้อย่างนี้ก็ยกกันไปนั่นนะ ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัส ก, กับปุกุสะมลรบุตรว่าดูก่อนปุกุสะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนะผู้มีสัญญาเนี่ยตื่นอยู่ไม่พึงเห็นเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มผ่านติดกันไปทั้งไม่ได้ยินเสียงอย่างหนึ่งอันนี้กลุ่มที่หนึ่งไงตื่นนะไม่หลับไม่ใช่อุดหูไม่ใช่ปิดตาเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยเสร็จแล้วกวียนผ่านไตห้าร้อยเล่มไม่ได้เห็นไม่ได้ยิน กับผู้มีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกำลังตกหนักเนะตกอย่างหนักด้วยฟ้าแลบฟ้าผ่าก็ไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงอย่างหนึ่งอันไหนจะทำได้ยากกว่ากันหรือทำให้เกิดยากกว่ากันฟ้าผ่าสนันเมืองไปหมดเนี่ยนะบอกไม่เห็นและไม่ได้ยินไม่หลับตื่นอยู่นี่แหละไม่เห็นไม่ได้ยินเพราะเข้าสวิหารธรรมที่สงบละเอียดกับแบบเวียนผ่านไปห้าร้อยอันไหนทายากกว่ากัน ปุกุสะมาะบรบก็กราบทูลว่าฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญเกวียนห้าร้อยเล่มหกร้อยเจริญแปดร้อยเล่มเก้าร้อยเล่มพันเล่มหมื่นเล่มแสนเล่มจะทําอะไรได้ผู้มีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนตกหนักกําลังตกหนักฟ้าแลบฟ้าพายอยู่ไม่เห็นทั้งไม่พึงได้ยินเสียงอย่างนั้นแหละอันเนี้ยทาได้ยากกว่าและทําให้เกิดยากกว่าว่างั้นหมายา็ว่าถ้าเงียบระดับนี้เนี่ยยิ่งกว่าที่กล่าวไปตอนแรก พระองค์ก็ตรัสเล่าถึงพระองค์ว่าดูก่อนปุกุสะสมัยหนึ่งเราอยู่ในโรงกระเดื่องที่เมืองอาตูมาสมัยนั้นเมื่อฝนกาลังตกแล้วก็ตกอย่างหนักฟ้าแลบฟา้าผ่าอยู่ชาวนาสองพี่น้องและโคผู้อีกสี่ตัวถูกสายฟ้าฟาดในที่ใกล้โรงกระเดื่องปุกุสะลำดับนั้นหมูมหาชนในเมืองอาตูมาออกมาแล้วแล้วก็เข้าไปหาชาวนาสองพี่น้อง และโค4ตัวผู้ถูกสายฟ้าฟาดสมัยนั้นเราออกจากโรงกระเดื่องจงกรมอยู่ในที่แจ้งใกล้ประตูโรงกระเดื่องคือพระ อ, องคได้ประทับอยู่โรงกระเดื่องถูกคนฟ้าผ่าตายอยู่ตรงนั้นทั้งหลายตั้งสองคนเนี่ยนะวัวก็ตายมีอีกสตัวเนี่ยครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งออกจากหมู่มหาชนเข้ามาหาเราอธิษฐายอภิวาสแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเราก็ได้กล่าวกับบุรุษนั้นว่า ดูก่อนผู้มีอายุหมู่มหาชนนั้นประชุมกันทําไมหนอะไอ้คาว่าไม่รู้ไม่เห็นที่พระพุทธเจ้าอันเนี่ยที่ปองบอกว่าไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่เห็นด้วยจักขคูวิญญาอไม่เห็นด้วยจักรคูวิญญาณไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นด้วยโสตะวิญญาณแต่ไม่ใช่แปลว่าพระองค์ไม่รู้ด้วยสัพพัญญุตญาณพระองค์รู้แต่ไม่ได้รับรู้ด้วยทวิปัญจานนั่นเองก็เลยที่บอกคําว่าไม่รู้และก็ไม่เห็นไม่ได้ยินเนี่ยนะอ่าไม่เห็นไม่ได้ยิน พระพั้นพระองศ์ก็เลยถามถามเพื่อให้เป็นเหตุเกิดเรื่องว่าผู้มีอายุมหาชนนั้นประชุมกันทําไมหนอชายคนนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อกี้นี้ฝนตกหนักตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ชาวนาสองพี่น้องและโคผู้อีกสี่ตัวถูกสายฟ้าฟาดหมู่มหาชนประชุมกันแล้วในที่นี้เสร็จแล้วพระองค์อยู่ที่ไหนล่ะ รองอยู่ไหนทําไมจึงไม่รู้ไม่เห็นว่าผ่าออกดังขนาดนี้เหมนบอกเราอยู่ในที่นี้เองก็พระองค์ได้เห็นหรือบอกไม่ได้เห็นก็พระองค์ได้ยินเสียงอะไรหรือบอกเราไม่ได้ยินพระองค์หลับหรือบอกไม่ได้หลับก็พระองค์ยังมีสัญญาอยู่หรือหมายว่าไม่ได้เป็นลมไม่ได้สลบไม่ได้อะไรไปเลยใช่ไหมบอกอย่างนั้นผู้มีอายุก็พระองค์ตื่นอยู่เมื่อฝนกําลงตักกําลังตกอย่างหนักตกหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ ทั้งไม่ได้เห็นทั้งไม่ได้ยินเสียงหรือบอกอย่างนั้นผู้มีอายุดูก่อนปุกุสะบุรุษนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าน่าอัศจรรย์เนอเหตุไม่เคยมีก็มีมาแลว้วพวกบรประชิตนักบวชย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบหนอดังผู้มีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกําลังตกตกอย่างหนักฟ้าแลบอยู่ฟ้าผ่าอยู่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเสียงเสร็จแล้วชายคนนั้นก็ประกาศความเลื่อมใสในเรา อย่างยิ่งในเรากระทำประทักษินแล้วหลีกไปน่าเครารพมา ก, ก น, นะฝาผ่าก็ดงัดงดังหลับก็ไม่ได้หลับตื่นอยู่นี่แหละมีสัญญาอยู่นี่แหละแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงน่าอัศจรรย์มากเนี่ยนะใครจะไปทําอะไรได้ง่ายๆใช่ไหมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วปุกกุศลบรบุตรก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์โปรยความเลื่อมใสในอาลลดาบทกลามาโคตรลงในพายุ หรือลอยเสียในแม่น้ํานั้นที่มีกะระแสเชี่ยวบอกว่าโปรยหมดศรัทธาเลยนะพอฟังคําอย่างนี้หมดศรัทธาในอาลาลดาบทอุทกะดาบทเหมือนโปรยฝุ่นไปกับลมพายุหมดเลื่อมสายเลยแบบั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักบุคคลงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่งประทีปในที่มืด ผู้มีจักสิผู้มีจักสุจักเห็นรูปแม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงร์ว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะ แสดงว่ามีจิตใจเลื่อมใสามากถึงสารณะเลยนะแค่ว่าฟังว่าพระองค์นี้ฝนตกฟ้าผ่าฟ้ า, ฟาร้องยังไม่ได้ยินยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินเลยนะียน่าอัศจรรย์จริงๆน่ยนะแล้วก็ถึงพระองค์เป็นสารณะลําดับนั้นปกุสะมาลุตรสั่งบุรุษคนหนึ่งว่าดูก่อนพานายท่านจงช่วยนำช่วยนําคู่ผ้าเนื้อเกลี้ยงคือเอาผ้ามาคู่หนึ่งเอาผ้าเนื้อเกลี้ยงนะมีสีเหมือนดอกสิงขีซึ่งเป็นผ้าทรงของเรา บรุรรนั้นรับคําของปุกุสะมารบแล้วนำคู่ผ้าเนื้อกเกลี้ยงมีสีเหมือนทองสิงคีเข้ า, ามาเป็นผ้าทรงนะซึ่งเป็นปกติเป็นผ้าของพระราชาที่ใช้ประจำเนี่ยก็เอาผ้านั้นมาปุกุสะมารบน้อมคู่ผ้าเนื้อกเกลี้ยงที่มีสีเหมือนทองสิงคีเนี่ยเอาผ้าอนั้นแหละเข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผู้ผ้าเนื้อเกลี้ยงนี้มีสีเหมือนทองสิงคีเป็นผ้าทรงของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงอาศัยความกรุณาอาศัยความอนุเคราะห์เนี่ยนะสรงรับคู่ผ้านั้นของข้าพระองค์เถิดนะฮะรับนิมนต์ว่าให้รับผ้าด้วยเถอดเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูก่อนปุกุสะถ้าเช่นนั้นท่านจงให้เราเนี่ยครองผื้นหนึ่งแล้วก็ให้พระนนทเนี่ยครองอีกพื้นหนึ่ง ปุ ก, กุสะมาละบททูลรับพระนรํารายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วน้อมถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงครองผื้นหนึ่งถวายพระนอนุลครองอีกพื้นหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยังปุ ก, กุสะมาละบทให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้รื่อนเริงด้วยธรรมีกถา ปุกสะมัลระบดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้รื่นเริงด้วยทำมีกระถาเสร็จแล้วก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักศิณแล้วก็หลีบไปเนี่ยนะอย่างว่าเลื่อมใสามากบอกว่าปกติเนี่ยตอนตอนต้นเนี่ยเคยกล่าวว่าพระนนเนี่ยขอพร8ประการใช่ไหมว่าพระองค์ได้ปัจจัย4มาเนี่ยว่าไม่ต้องเอามาฝากท่านพระนนและพระนนก็จะ ไม่รับแต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายทำไมจึงรับนะพระเทระทำไมจึงรับผ้านั้นรับเพราะเหตุไรเพราะกิดถึงที่สุดแล้วกิดของพุทธอุปถาคเสร็จสิ้นแล้วอันนั้นถือว่าเสร็จสิ้นจริงๆเพราะอะไรเพราะหลังจากนี้ไปพระองค์ก็ดับขันธปรินิพานไอเที่อุปถากเหมือนเดิมนี่ไม่ต้องแล้วความจริงท่านพระอนุนนั้นห้ามลาบเห็นปานนั้นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อุปถา แต่หน้าที่อุปถัาของท่านนั้นน่ะถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงได้รับพระวสิทธสิ้นภารกิจในการอุปถาพระพุทธเจ้าแล้วก็หรือว่ามหาชนเหล่าใดพึงพูดอย่างนี้ว่าท่านพระอนนท์เนี่ยที่จะไม่ยินดีท่านพระอนนที่จะไม่ยินดีท่านอุปถามา25ปีท่านเคยได้อะไรจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยคือไม่เคยได้รับอะไรเลย ก็คือเหมือนกับว่าเอพระนนท์เนี่ยปฏิบัติตัวไม่ดีหรืออย่างไรพระพุทธเจ้าจึงตัดความตัดอะไรนะเหมือนกับตัดสเสบียงผ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยให้อาหารก็ไม่เคยแบ่งปันให้ไม่ได้อยู่กุฏิเดียวกันแสดงว่าพระองค์เนี่ยเป็นยังไงพระองค์ไม่ชอบพระนนท์หรืออย่างไรเกลียดท่านนักหรืออย่างไรจึงไม่ยอมถวายปัจจัยสเหล่าใดที่ควรจะถวายแก่ท่านพระนนนะท์นะทีนี้พระนนท์ก็รับเพื่อตัดข้อคอรหาเหล่านั้นตัด โอกาสอ น, นันตว่าที่ก่อนหน้านี้ไม่รับก็เพราะว่าอ น, นันท่านเห็นอำนาจประโยชน์หลายประการแต่บัดนี้ที่รับก็เพราะมีผลอีกหลายประการก็เลยรับเนี่ยนะ